ในข้าวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์สัมมณีนเบจีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งกิตตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง ลงใช้ความเพียรใช้ความพยายามที่เราได้ตั้งความปรารถนาไว้ในแต่ละวันค่อยๆหลับตาลงเพื่อที่จะได้ทำสมาธิเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของตนเอง อย่างที่ได้บอกไปช้างเมื่อวานว่าทุกคนเนี่ยต่างมีหน้าที่ทุกคนต่างมีภาระเป็นของตัวเองทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ที่จะต้องทำเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่เป็นภาระให้กับตัวเราเอง <c oughs> แต่ชีวิตเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ยังหลงอยู่หลงลืมในหน้าที่ของตัวเองจำไม่ได้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเราหลงไปหลงจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องรับผิดชอบ สิ่งไหนที่เราไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งไหนที่เราต้องลงมือทำสิ่งไหนที่เราไม่ต้องลงมือทำในหน้าที่ของตนเองคนละเลยในหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ได้อะไร เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพยายามในแต่ละวันมันต้องทำอะไรบ้างผูป้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีสัมมณีนก็ดี อุบาสกอุบาสิกาก็ดีเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรายังไม่เข้าใจในธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังไม่รู้ในธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เรายังไม่รู้ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เรากำลังสร้างกุศลให้กับตัวเองอยู่แต่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาการที่เราจะสร้างความดีได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยขัดฝังที่จะไม่ให้เราทำความดีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเนี่ยที่มันคอยขัดฝังเราอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่สามารถทำความดีได้ก็คือความขี้เกียจ พอเกิดความขี้เกียจเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วแล้วเราจะทำความดีให้กับตัวเองได้อย่างไรเราต้องพิจารณาเราต้องมีความเพลี่ยนให้มากๆถ้าเรามีความเพี่ยนมากเนี่ยเราก็สามารถสังสมความดีให้กับตัวเราเองได้มาก าเรามีความเพียนน้อยมันก็ได้น้อยเราจะทำสิ่งที่ดีแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมันก็มีมารมันก็มีข้อกรรมบุพกรรมของเราที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ เหตุที่มันเกิดในแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจขนทางแห่งความจะเดินเราก็ไม่รู้ขนทางแห่งความเสื่อมเหตุของความเสื่อมซึ่งนำไปแห่งความชิบหายเราก็ไม่รู้ในธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ชี้เหตุไว้ว่านี่คือเหตุของความเสื่อมเรียกว่าอ บ, บาย อาบายมุกที่เราได้ทำกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นเหตุเหตุของความเสื่อมอะไรที่เสื่อมลงไปบ้างเมื่อมันมีเหตุเนี่ยกายเราก็เริ่มเสื่อมลงใจของเราก็เริ่มเสื่อมลงตอนเราประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยรู้สึกกายมันยังมีกำลัง กายมันยังไม่เคยชินกับสิ่งที่ไม่เคยทำแต่เมื่อใดเนี่ยกายมันมีความรู้สึกเคยชินกับสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำทุกๆวันเนี่ยกายมันก็จะเริ่มเสื่อมลงกายมันเริ่มรู้เริ่มสัมผัสความเสื่อมของกายมันเสื่อมลงไปเพราะอะไร เราสัมผัสได้แล้วว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันคืออะไรมันจึงทําให้กายเสื่อมมีขาเดินได้แต่ก็ไม่ยอมเดินมีมือหยิบหยิบจับอะไรได้แต่ก็ไม่ยอมหยิบจับมีหูฟังอะไรได้เยอะแยะมากมาย เพื่อให้เป็นคนฉลาดก็ไม่ฟังมีตาก็สามารถดูสามารถเห็นในสิ่งที่ดีได้แต่ก็ไม่ดูนี่คือเหตุนี่คืออาการแห่งความเสื่อมมันก็จะเสื่อมไปเหมือนพระพุทุสูงเนี่ย เราได้ขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเย็นทําวัดเช้ า, ชาทุกวันทุกวันมันก็สร้างความเจริญให้กับตัวเองแต่วันใดถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าใจเราเริ่มเสื่อมแล้วกายเราก็เริ่มเสื่อมถ้ากายเราไม่เสื่อมเนี่ยเราต้องพาสังขารขึ้นมาได้แสดงว่ากายมันเริ่มเสื่อมลงมีขาก็ไม่ยอมเดิน ขามันไม่มีแรงมันไม่มีกำลังที่จะก้าวไปเพื่อที่จะทาความดีเพื่อที่จะสร้างกุศลให้กับตัวเองเนี่ยทำไมมันไม่มีเลี่ยวมีแรงเลยแต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขามันจะมีกำลังมากเหนื่อยแค่ไหนก็จะไปเหนื่อยแค่ไหนก็จะทนลำบากแค่ไหนก็จะมุ่งมั่น เพื่อไปทําให้ได้แต่ความดีเนี่ยมันทํายากเพราะว่ามันมีตัวขี้เกียจเป็นมารเป็นมารที่คอยขัดขวางอยู่ทุกขณะเป็นมารที่คอยขัดขวางอยู่ทุกเวลาเมื่อกายมันเสื่อมลงเนี่ยใจมันก็เสื่อมลงเช่นเดียวกันใจมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะเราลืมไป เสื่อมเพราะเราลืมลืมว่าขนาดนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรให้กับตัวเราเองเรากำลังสร้างกุศลหรือสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลให้กับตัวเราเองอยู่ท่องพิจารณานะพยายามให้พิจารณาทุกวันทุกวัน พยายามพูดให้เห็นเหตุให้เห็นที่ไปที่มาของแต่ละสิ่งของแต่ละอย่างในแต่ละวันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติแล้วก็ไม่ขาดทุนถ้าเราปฏิบัติแล้วขาดทุนเนี่ยก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปทําไมเมื่อเราบวชมาเป็นพระ อยู่ในพระพุทธศาสนาพอเราบวชไปนานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็สัมผัสในหลายสิ่งหลายอย่างได้มากมายตอนที่ไม่ได้สัมผัสอะไรก็ยังมีความรู้สึกยังมีความอยากที่อยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากได้ยิน แต่พออยู่นานไปนานไปเนี่ยก็เริ่มจะไม่อยากรู้แล้วเริ่มจะไม่อยากเห็นแล้วเริ่มจะไม่อยากฟังเริ่มจะไม่อยากได้ยินเริ่มจะไม่ในใส่ไม่ใส่ใจในหน้าที่ของตัวเองมันก็เป็นหนทางแห่งความเสื่อมพอเราอยู่นานไปนานไปเนี่ยเราเริ่ม มีความคิดจิตปรุงแต่งไปต่างๆพอเราปฏิบัติมากเนี่ยเริ่มละเราเริ่มจะได้ยานได้ฌานสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็คือการหลงหลงตัวเองเราเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวก็ได้เนาะแสดงว่ามีฤทธิ์แล้วหายตัวได้ เราต้องพิจารณาตัวเองไปพิจารณาตัวเองเนี่ยเราให้มานที่มันมาขัดฝางเราทุกวั น, นไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมันจะได้กุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองกายที่มันเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันเสื่อมด้วยอะไรมันเสื่อมเพราะความขี้เกียจนี่แหละไปทำลายมัน ไม่อยากจะตื่นเลยไม่อยากจะขึ้นมาสวดมนต์เลยไม่อยากจะทำวัดเช้าเลยไม่อยากจะบินธบาทเลยไม่อยากจะทำงานเลยไม่อยากจะฉันเช้าเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความขี้เกียจมันฝังเอาไว้ มันเป็นมานตัวใหญ่นะมันเป็นมานตัวใหญ่มากฝังไว้ไม่ยอมให้เราทำฝังเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณารรู้จักไต่ตองหาเหตุหาผลแห่งความเป็นจริงให้เจอเนี่ยเราก็สู้มันได้ เราไม่แพ้มันเราสู้มันได้ทำไมเราไม่สู้กับมันทำไมเราไม่เอาชนะมันเพราะเรายอมแพ้มันอยู่ตลอดเวลาเราถึงไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราพยายามสู้กับมันเราไม่ยอมแพ้มันมาฝั่งเราไว้เราก็จะไม่ยอมเราก็จะชนะเอง แต่ในขณะทุกครั้งเนี่ยเมื่อความขี้เกียจมันมาฝังเราเนี่ย <c oughs> เราก็แพ้มันทุกครั้งมันจึงทำให้กายเราเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันมีขาก็เหมือนไม่มีมีแขนก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปาก เพราะมันเสื่อมไปหมดแล้วสังขารมันเสื่อมขาที่เดินได้ก็ไม่อยากจะเดินหูที่ได้ยินได้ฟังก็ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะได้ยินตาที่มองเห็นก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะรับรู้อะไรพิจารณาให้ดีๆไอ้ความเสื่อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ใช่ความเจริญปฏิบัติแล้วชีวิตก็ไม่เจริญสมาธิที่ดำเนินไปก็ไม่ดีขึ้นแล้วใจละใจที่มันเสื่อมใจที่มันเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันเนี่ยเสื่อมลงใน ความตั้งมั่นก็เสื่อมความศรัทธาก็เริ่มเสื่อมความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนก็เริ่มเสื่อมศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มเสื่อมพรใจมันเริ่มเสื่อมลงเนี่ยมานมันก็เริ่มทำงานทำหน้าที่ของมันเองขี้เกียจจะสวดมนต์แล้วขี้เกียจจะฟังธรรมแล้ว คี้เกยียจจะมานั่งสมาธิเพื่อบังคับใจตัวเองแล้วเพราะใจมันเริ่มเพราะใจมันเริ่มเสื่อมลงใจมันเสื่อมลงเสื่อมลงมากๆเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเลยเราต้องคิดให้ดีๆต้องพิจารณาให้ดีๆว่าเราจะทำอย่างไรไม่ขาดทุนทำอย่างไรถึงมีกำไร เราอย่าพึ่งไปแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ใครเห็นเราอย่าพึ่งไปแสดงในสิ่งที่ไม่ควรแสดงออกมาเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่เราให้ได้เรายังรับผิดชอบในหน้าที่เราไม่ได้แล้วเราจะไปรับผิดชอบอะไรได้ กายเราเองเราก็ยังรับผิดชอบต่อกายเราไม่ได้เลยใจเราเองเราก็รับผิดชอบต่อใจเราไม่ได้เลยแล้วเราจะไปรับผิดชอบอะไรได้ละ่ะถามตัวเองสิเราจะรับผิดชอบอะไรได้บ้างค่อยๆพิจารณาไปนะเรายัางไม่รู้เรายัางไม่เข้าใจวาเหตุ ที่ทำให้เสื่อมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเสื่อมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายกายก็ดีใจเราก็ดีที่มันเคยเสื่อมเราก็พยายามเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะทําให้กายเราดีขึ้น เพื่อที่จะทำให้ใจเราดีขึ้นใจเราที่เคยเสื่อมโทรมที่เคยชารุดสุดโทรมอยู่เราก็ต้องรักษามันให้มันหายอย่าให้มันเสือเส่อมลงทุกวันทุกวันถ้ามันเสื่อมลงทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย อยู่เป็นพระไปก็เท่านั้นอยู่เป็นแม่ทีไปก็เท่านั้นไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำอะไรจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่อสร้างความเสื่อมให้กับตัวเองสร้างความเสื่อมให้กับวัดไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเราต้องคิดเราต้องพิจารณาว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัต แต่เราไม่เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างพระเนี่ยปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างคารวะเนี่ยคงไม่ต้องสอนคงไม่ต้องบอกเพราะทุกคนน่าจะเก่งอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตแบบคารวะโดยที่ไม่ต้องสั่งสอนอะไรมากเลยเพระทุกคนมีความฉลาด มีความฉลาดในการใช้ชีวิตในการทำสิ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มีความฉลาดมากพอและทุกคนก็มีความโง่เช่นเดียวกันมีความโง่ามากพอในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตที่มันขาดทนุนชีวิตที่มันไม่ได้อะไรชีวิตที่เราดำเนินไปทุกวันเราคิดว่า เราทำสิ่งนี้มากแล้วเราทำสิ่งนี้พอแล้วเราทำสิ่งนี้ได้แล้วแต่เรายังไม่รู้เลยที่เราทำสิ่งนี้มากแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราต้องทำเราทำสิ่งนี้ได้แล้วเป็นเพราะอะไรถึงได้เราทำสิ่งนี้พอแล้วเป็นเพราะอะไรถึงพอ เราเคยถามตัวเองไหมเราเคยพิจารณาในเหตุที่มันเกิดไหมถ้าเรามองไม่เห็นเหตุที่มันเกิดเนี่ยยังไงเราก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้เรารับรู้ได้แค่ความรู้สึก <c oughs> แต่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยและเราไม่เข้าใจได้เลย ก็พยายามบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเราอย่าไปมัวหลงตัวเองอยู่เลยเราอย่ามัวไปหลงกายอย่ามัวไปหลงใจอยู่กายเนี่ยเราอยู่กับมันทุกวันเราก็หลงกับมันทุกวันหลงจนแยกแยะไม่ออกว่า กายกระใจเนี่ยที่ทำให้สภาวะต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะความหลงความหลงที่เราได้ปรุงแต่งขึ้นมาเราลองพิจารณาว่าเราปรุงแต่งอยู่ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นสังขารของเรากายของเรา ไม่มีอะไรเลยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งกันทั้งนั้นเราคิดว่าในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดูดีก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุของความทุกข์เป็นเหตุของ สังขารอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวันก็ต้องลองพิจารณาเหตุที่มันทำให้เกิดทุกเนี่ยเยอะแยะมากมายในแต่ละวันแต่เราจะรู้เราจะเข้าใจในเหตุที่เกิดหรือไม่เราสะสมความทุกเป็นสะเบียงสะสมเพื่อให้กายและใจเราเจริญเติบโตด้วยกองทุกอย่างนั้นหรือ เราคิดดูเนี่ยว่ากองทุกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันมากมายขนาดไหนเราต้องอยู่กับความทุกเนี่ยทุกวันเราต้องอยู่กับความทุกเนี่ยทั้งวันวันหนึ่งเราแทบจะไม่เห็นความสุขเลยแทบจะหาความสุขไม่เจอเลยแต่เราก็ไม่พยายามสแสวงหาเราไม่พยายามสร้างความสุขให้กับตัวเอง แต่เรากลับไปสแสวงหาความทุกข์ให้ตัวเองทุกวันสแสวงหาความทุกข์ให้กับตัวเองทุกวันแล้วเราคิดว่าใจเรามีความสุขอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นหรือทำไมเราไม่พิจารณาให้ดีๆการที่เราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เราพิจารณาโดยขาสติเนี่ยเราก็จะไม่ได้คำตอบ เราพิจารณาโดยการที่ขาดปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจคําตอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธส่สงเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีๆแม่ชีก็ต้องพิจารณาให้ดีๆ ใ, ในการปฏิบัติของตัวเราเองพยายามพิจารณาให้เข้าใจว่าปฏิบัติแล้วเนี่ย มันจะได้อะไรบ้างกับตัวเราเองก็ให้พระพิสุงสงฆ์และสัมมเนนแมชีแลวบาศกอุบาสิกาได้เก็บไปคิดพิจารณาหาเหตุหาผลมองให้เห็นความเป็นจริงคือสัจธรรมที่มันเกิดขึ้น กับกายและใจของเราว่าอะไรมันทําให้กายเราเสื่อมอะไรมันทําให้ใจเราเสื่อม <c oughs> อะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยก็ให้ไปพิจารณา <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้ <c oughs> เพื่อที่จะได้เข้าใจในการปฏิบัติ ต, ต่อไป <c oughs> ก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิ เพื่อที่จะได้กวดน้ำพร้อมกับพระพิสุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ